ญาติยโยมสาธุชนทุกท่านชีวิตเราเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วก็อาจจะถามตัวเองว่าปีใหม่อีกแล้วหรือมันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมอาจจะดีตอนสวนมดมนต์ข้างปีหน่อยตั้งจิตอธิษฐาน แต่พอไม่กี่วันก็ลืมลเราไปเริ่มใหม่ปีหน้าเพราะฉะนั้นเทพวันนี้ก็คงเหมือนเหมือนเดิมมาแหละนะ <others> ปีหน้าใป้ประเทศใหม่เหตุที <nothing>. ่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าใจของเรามันขึ้นๆลงๆตอนที่อยู่ในบรรยากาศ ค, คึกคัก ใครเขาก็ฉลองปีใหม่ใครก็ทำตั้งใจทำความดีใจเราก็ฟูปีนี้สำเร็จแน่เป็นคนใหม่แน่เชื่อฉันเถอะฉันยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองเลยเราจะปลุกปลุกใจตัวเองเพราะจริงๆแล้วมัน ความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่สภาพจิตใจถ้าเราปลุกตัวเองกับตุ้นตัวเองชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงต่อให้ปีใหม่ถ้าใจมันยังเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมแต่ปีใหม่เนี่ยมันมีผลทางจิตใจในการที่เราจะปลุกใจนัก นักจิตวิทยาเขาทำการสำรวจว่าวันเวลาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในรอบปีนี่มีวันอะไรบ้าง mm. เขาก็สัมภาษณ์คนโน้นคนนี้แล้วได้ผลสรุปว่าวันที่มีผลต่อการเปลี่ยนชีวิตของเรามีสองวัน ปีใหม่หมดไปแล้วยเหลืไีกว่าหนึ่งอวันเกิดเราวันเกิดถ้าวันเกิดตรงกับปีใหม่ทำไงถึงปีใหม่เราก็บอกตัวเองว่าชีวิตหมดไปอีกปีละเปลี่ยนสักราชใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ ให้มันดีขึ้นอย่างที่มาตั้งหัวข้ อ, ขอวันนี้เพราะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงพอถึงวันเกิดเราก็จะบอกตัวเองว่าอายุมากขึ้นอีกปีแล้วนะถ้าเป็นเด็กหนุ่มสาวก็โอ้โหอะไรที่จะเป็นความฝันต้องรีบทำให้สำเร็จส่วนคนอายุมาก คิดยังไงคิดไม่เหมือนกันนะลูกๆ ก, ก็จะบอกว่าแม่ทำพิธยกรรมได้แล้ว อ, อ, อ, อ, อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนแก่เท่าเ <c oughs> ขาบอกว่าคนหนุ่มสาว มองไปข้างหน้าด้วยความหวังคนแก่เท่ามองกลับข้างหลังด้วยความอาลัยคนไหนพูดแต่เรื่องอดีตซ้ําๆำซากซากเนี่ยแก่ละไม่ได้อยู่ที่อายุนะต่อให้อายุมากแต่ว่ามองไปข้างหน้าด้วยความหวังแสดงว่ายังมีพลัง ปีเก่าผ่านไปขึ้นมาปีใหม่เนี่ยเป็นวาระที่เราจะทั้งเหลียวหลังและก็แหลน้าไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะพูดแต่อดีตเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงอนาคตฉะนั้นปีใหม่จึงเป็นช่วงของการเหลียวหลังแหลน้าทำสองอย่าง แลไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ดูข้างหลังก็ประมาทมองแต่เรื่องอดีตติดกับอยู่กับอดีตมันก็พัฒนาไม่ได้ไม่มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเกา่าโดยเรื่องของการเหลียวหลังแลน้านี่แหละฝรั่งเขา ถ, ถึงตั้งชื่อเดือนมกราคมในภาษาอังกฤษว่า j a n u a r ร January เป็นเดือนแห่งการเหลียวหลังแหละนะ้าเพราะว่าปีใหม่ของเราเนี่เป็ น, เ ป, นเป็นสากลใช่ไหมคือทั่วโลกปีใหม่แต่เดิมของไทยในสมัยสุโขทัขทยคือวันไหนรู้ไหมวิสาขาบูชาส่วนปลายอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี่สงกรานยุธยา แต่สุโขทัยจริงๆเนี่ยวิสาขา์พุทธศักราชเราใช้พุทธศักราชนะพุทธศักราชนับปีใหม่วันหมดวันเพเดานหกแรมหนึ่งข้เดือนหกเนี่ยขึ้นปีใหม่เปลี่ยนพศเพราะฉะนั้นพุทธศักราชของเราปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด เราเริ่มตั้งแต่มกราไปหมดสองพันหร้อยสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดถัดว่าแต่ถ้าไปศรีรังกาไปพมา่าตอนนี้ยังอยู่สองพันห้าร้อยหกสิบขอโทษสองพันห้าร้อยหกสิบอ็ดตอนนี้ของเขาเนี่ยเขานับสองพันห้าร้ยหกสิบเอ็ด ตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนหกปีหกศูนแล้วพอมาถึงวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกเนี่ยหมดปีแล้วเริ่มนับสการาดใหม่เพราะฉะนั้นประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยของเขาเป็นสองพันร้อยหกสิบสองเวลานับพศออเขาจึงเร็วกว่าเราไงแล้ว วันวิสาขาเนี่ยเขาจะส่งแฮปปี้นิวเยียนะแฮปปี้เวสักของเขาเรียกเวสักของเราเรียกวิสาขาแฮปปี้เวสักสองพันห้าร้อยหกสิบสองหกสิบเอ็ดนไปฉะนั้นเวลาฉลองยี่สิบห้าพุทธศวตวรรษจึงกับพมา่ากับไทยไม่ตรงกันที่ผ่านมาเนี่ยปีสองพันหร้อยพมา่าลังกาฉลองตั้งแต่ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าการปีเออก่อนเราที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าคติเดิมพุทธศักราชต้องเปลี่ยนวันวิสาขะถ้าเปลี่ยนเดือนเดือนมกราคมเป็นคริสต์ศักราช j จน u a r รี January. ประเทศไทยเอาทั้งสองอย่างหายากนะประเทศแบบนี้ตามแบบเขาเราก็มก ร, ราคมเปลี่ยนปีใหม่แต่เราใช้พุทธศักราชแปลกมากประเทศนี้ใครมาก็งงแต่นี่คือประเทศไทยไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นพุทธศักราชหรือคริสต์ศักราชประเทศไทยก็นับม ก, กราคมเหมือนเขาคือ j จน u a r รี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คติว่า j จน u a r รี่มกราคมเป็นเวลาแห่งการเหลียวหลังแหลนะ้าตอนนี้เพิ่งวันที่เหลียวหลังนึกอะไรออกไหมโอ้ยังไม่ลืมง่ายขนาดนั้น มองไปข้างหลังมองไปข้างหน้าตามคติเท พ, พเจ้าฝรั่งของกรีกโรมันที่ทำให้ชื่อเดือนนี้ว่าเจนนิวรี่เพราะเขาให้พูดมีเท พ, พเจ้าประจำเดือนคือเจนัสเจนัสเป็นเทพของกรีกของโรมัน เป็นเหตุให้ตั้งชื่อเดือนว่ามัตราคคเจนัสมีหน้าที่ทำอะไรในเทพองค์นี้เป็นเทพชั้นต่าเป็นลอปพอเฝ้าประตูเฝออ้าประตูสวรรค์ถ้าเป็นของกรกคือใครจะขึ้นภูเขาโอลิมปัสต้องผ่านยาม จเจนัสโอลิมปัสคือดินแดนสวรรค์คนไทยถ้าจะขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นเขาอะไรนะขึช้ชกูดขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นเขาสนามหลวงเรียกว่าอะไรมี เขาพระสุเมนพระเมรุมาตรโอ้ยจำไว้นะนี่จะไปขึ้นสวรรค์ผิดนลยเลยเฝ้าต้นไม้อยู่เขาพิจกูดไม่ได้ขึ้นสวรรค์จริงคติของพุทธคือเขาพระสุเมนเป็นบนยอดพระสุเมนเป็นสวรรค์เพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นเชิงเขาพระสุเมนไปถึงยอด ที่ยอดเขาพรสุเมนมีสวรรค์ชั้นดาวดึงเนีดาวดึงเนียเพราะฉะนั้นคติไทยเนี่ยคนที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องขึ้นภูเขาพระสุมเมนเลียดย่อๆว่าเมนจะรีบไปไหม <laughs> อยังไม่รีบเนีอันนี้เป็นคติไงนี่เทียบให้ดูเฉย ถ้าเป็นเมรทองก็เรียกเมรุมาเพราะฉะนั้นการขึ้นเมรที่จริงเนี่ยในในฝ่ายเราเนี่นึกว่าขึ้นทางกายคือตายแต่ทางจิตใจเนี่ยคือไปสวรรค์นะจริงป ะ, ะขึ้นเมรต้องไปสวรรค์เขาพระโเว m บนยอดมีพระอินมีวิมานชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระเจดียจุฬามณีพระธาตุเขี้ยวกแก้วของพระเจ้า ผมพระเกศธาตอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีดอกไม้ไปบูชาที่เขาใส่อ่ะนั่นอะแล้วก็ไปไหว้ตั้งจิตไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือคติแต่ละแห่งก็นี่เทียบให้ดูว่าคล้ายๆกันของเขาเทพยอยู่บนเขาโอลิมปัสต่างนิดหนึ่ง ในคติของเราต้องกว่าจะไปถึงเชิงเขาพระสุมิตต้องไหว้ข้ามนทีสีทันดอนอลำบากระบนนะ <c oughs> เวลาจะขึ้นสวรรค์มันยากล ง, ลงนรกเนี่ยมันง่าย <c oughs> หล่ตุ๊บไปเลยแต่เวลาจะไปขึ้นสวรรค์ต้องข้ามนาทีสีทันดอนต้องผ่านมานต่างๆเอาละ่ะกลับมาเรื่องทีนี้คติของกรีกโรมันเนีจะขึ้นเขา แห่งสวรรค์ต้องผ่านประตูและผู้เฝ้าประตูชื่อเจนัสเจนัสจะทำหน้าที่มองคนที่มาทางนี้จะขึ้นคนที่ตกสวรรค์ลงมาก็ดูอีกทั้งขึ้นสวรรค์ทั้งลงจากสวรรค์เจนัสเขามีประตูไขนะเขาจะมีกุญแจและเปิดประตูคนจะเข้า ขึ้นสวรรค์ก็เปิดประตูให้คนจะลงก็ต้องเปิดประตูทําไปทํามาเนี่ยแกมมองจนเมื่อยคอมองไปมองมาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์จึงให้ผ่อนว่าต่อไปคุณไม่ต้องหันหน้าหันหลังมองไปทางนี้ใช้หน้าปกติถ้ามองข้างหลังมีหน้าอีกหนึ่งหน้าแล้วรูปเจนะถ้าเราหาดูเนี่ยจะเป็นรูป เทพเจ้าถือกุญแจมีหน้าหันยังหัวเดียวกันเนี่ยมีหน้าสองหน้าหน้าหนึ่งสหรับมองผู้ที่จะขึ้นสวรรค์หน้าหนึ่งสำหรับมองคนที่จะลงมาเป็นเดือนมกราคมเพื่อบอกว่าเราต้องทําเหมือนสองไม่ใช่คนสองหน้านะมองไปหน้าหนึ่งเนี่ยมองสู่อดีต ในอดีตรอบปีที่ผ่านมาชีวิตเราเป็นอย่างไรอีกหน้าหนึ่งมองไปสู่อนาคตว่าเราจะทำอะไรให้มันดีกว่าเก่ามันจึงเป็นช่วงเวลาเนี่ยปีเก่าปีใหม่เป็นช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองไปข้างหลังเห็นว่ามันมีอะไรที่ไม่ดี ที่เราจะไม่ให้มันติดข้ามปีเราก็แก้ไขไม่ทําอะไรที่ดีเราก็สืบต่อไปถึงปีใหม่แล้วทําให้มันดีกว่าเก่าหรือทําดีเพิ่มเติมโดยวิธีนี้เก่ากับใหม่มันก็รวมอยู่ที่เราเก่าที่ดีเราก็รับช่วงต่อไปใหม่อะไรที่ไม่ดี ปิดงบดุลบัญชีปีที่แล้วเป็นยังไงระหว่างบุญกับบาปนี่อะไรมันมากกว่ากัน<อ>บุญมากกว่า<อ>สาธุ<อ>ทำบุญมากกว่า โ, <อ>โดยเฉพาะมาฟังพระเทศที่นี่<อ><อ>ได้แต้มแล้วคติอียิปต์ใครจะขึ้นสวรรค์เขาเอาเอาหัวใจไปช่างกับอะไร คนนเคยเห็นรูปมัมมี่ไหมล่ะเขาจะเอาหัวใจไปใส่หลดองไแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเนี่ยตรงเฝ้าประตูเหมือนกันหัวใจเหมือนตาช่างเนี่ยหัวใจด้านหนึ่งคนนกด้านหนึ่งถ้าหัวใจหัวใจช่างกับอะไรถ้าหัวใจมันหนัก ก็ถ่วงขนนกลอยขึ้นถ้าขนนกหนักกว่าหัวใจหัวใจก็จะขึ้นสูงถ้าไปช่างนิ่งหวังว่าจะให้หัวใจเบาหรือหนักเบาก็บขนนกไหมถ้าหัวใจเราเบากับขนนกได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าหัวใจหนักกว่าขนนกแสดงว่าทําบาปเยอะลงระลก ในรอบที่แล้วถ้าชั่งกันระหว่างหัวใจกับขนกอันไหนมันหนักมากกว่ากันเออถามตัวเองเออถ้าต่ำหัวใจหนักกว่าเราก็จะต้องเริ่มใหม่ให้มันสมดุลหรือไม่ก็ให้มันเบาคือทำบุญมากกว่าทำบาปมองย้อนกลับไปก็ กลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีเก่าใช่ว่าจะ ด, ห ด, จะดีหรือไม่ดีในตัวมันเองใหม่ก็ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีในตัวมันเองอันไอ้ที่ไม่ดีก็มีเราไปหลงของใหม่รับของใหม่จนทิ้งของเก่าที่ดีโดยเฉพาะคนเก่าที่บ้านไม่ดีเนะ ฉะนั้นจึงพุทธเจ้าจึงสัตว่าปุรา น, นาพินันไทยะนาเวขันติมกุพเพเยอย่าหลงของเก่าและก็อย่าเมาของใหม่หลักในการดาเนินชีวิตอย่าไปหลงของเก่าที่ไม่ดีไปยึดไปติดอะไรที่นิสัยที่ไม่ดีทิ้งไปส่วนของใหม่ก็อย่าไปรับเอามาหมดบางทีมันก็ใช่ว่าจะดี เลือกเดินสายกลางแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้มันดีกว่าเก่าชีวิตใหม่ให้มันดีกว่าเก่าด้วยความหวังโดยมากเขาไม่ตั้งหลายข้อนะฝรั่งเขาเรียก resolution อธิษฐานใจรับปีใหม่เขาจะเอาเรื่องที่ทำได้ ไม่ใช่มากข้อแล้วก็อยา่าไขว้เขวบางคนนี่โอ้โหทำบัญชีนะปีใหม่จะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนะอธิษฐานเยอะแยะไปหมดแล้วถึงเวลามันทำไม่ได้เลือกไม่กี่ข้ออย่างเช่นพระท่านสอนปีเก่านี่อย่าให้ผีมันสิงตามไปจนถึงปีใหม่ ผีมันมีหกตัวดูว่าตัวไหนมันสิงเหล่าปีที่แล้วทิ้งมันไว้ตรงนั้นเลยท่านว่าเป็นกรอนไว้อย่างนี้ลองดูเนาะตัวไหนมันชอบมาตามสิงเหล่าผีหนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบท่องเที่ยวยางวิการไม่รักลูกรักบ้านของตน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 ผีที่หกชอบเกียรติคร้านการหากินมีทั้งสิ้นหกผีอับฟรีออยอะไรที่ไม่ไดีทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้กลับจะเอาแต่ของดีๆกลับบ้านอเดี๋ยวให้พระองค์ต่อไปมาไล่ <C azzi> <c oughs> แล้วเราก็ อันไหนที่เราทำอยู่แล้วเราไม่ได้มีผีตัวนั้นสิงเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเอาเฉพาะเกลียดคลานที่เกลียดอย่างนี้ไล่มันแล้วเวลาไล่มันเราก็อธิษฐานว่าเราประสงค์จะทำอะไรให้มันดีในชีวิตที่ดีเนี่ยถามว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตเช่นไรชีวิตที่ดีเนี่ย มันอยู่ที่ความหมายคุณค่าของชีวิตคือเรื่องอะไรเราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาคือทาบุญทำความดีคำว่าให้ทานนี่ไม่ได้หมายถึงทาบุญที่วัดอย่างเดียวให้แก่คนอื่นแก่คนที่เรารักให้กับสังคมเป็นจิตอาสาก็อยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงกว้างไงเกิดมาไม่เห็นแก่ตัวแต่ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยการให้นี่ก็คือความดีที่หนึ่งสองไม่เบียดเบียนไม่ทําคนอื่นให้เดือดร้อนการไม่เบียดเบียนไม่ทําคนอื่นให้เดือดร้อนคือสี่ห้า ไม่ตีไม่ว่าไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายชีวิตเขาเป็นศี่ข้อที่หนึ่งไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินของเขาเป็นข้อที่สองไม่ไปแย่งชิงคนรักของรักเขาเป็นข้อที่สามไม่ไปเบียดเบียนในเรื่องชื่อเสียงไม่ไปใส่ร้ายไม่พูดโกหกเป็นศี่ข้อที่สี่ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยสุรายาเสพติด เป็นสีข้อที่ห้าบางคนบอกเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเน่ยสีข้อที่หเนี่ยเราดื่มสุราเราเบียดเบียนตัวเองก็ทําไปแต่รู้ไหมไอ้สีข้อที่ห้าเนี่ยไอ้ที่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยทําให้เราหลงหลืมสติบันดาลโทสะแล้วไปฆ่าเขามันทําให้ศีอีกสีข้อเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถ้าเรา มวกับสุลายาเสพติดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เมาแล้วขับเป็นยังไงโอ้ไม่เป็นไรรถผมคว้างคนเดียวผมตายคนเดียวไอ้คนที่นั่งมาด้วยเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีเมาแล้วยังไปขับเนี่ยนึกถึงคนในรถของเราเนึกถึงเราขับแล้วไปชนเขาตายเน้นถึงเราตายแล้ว พ่อแม่ลูกสามีหรือภรรยาจะเป็นยังไงพอเรานึกถึงอย่างนี้เนี่ยนะมันหมายถึงเรามีภาวนานะทานศีลภาวนาภาวนาที่จะทำให้ชีวิตเราใหม่และดีกว่าเก่าเนี่ยคือเมตตาภาวนาเมตตานี่แหละไม่ต้องไปทำภาวนามากข้อ กรรมาฐานกี่ข้ออะไรกี่ข้อปีใหม่เนี่ยให้แผ่เมตตาจริงๆในชีวิตจริงมีความรักกันจริงๆและชีวิตเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าพระจัน์เนี่ยแสงสว่างกว่าดาวทั้งหลายฉันใดเมตตาภาวนาก็เจอจ้าคมบุญอื่นๆฉันนั้น แต่ให้เป็นเมตตาจริงนะถ้าเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตตเจริญเมตตาจนได้ฌานสมาบัติเนี่ยเหนือกว่าทานอีกเหนือกว่าศีลอีกเพราะอะไรเพราะถ้าท่านมีเมตตาเป็นฐานเนี่ยความรักทําให้ท่านให้ทานเองคือทำดีอยู่มันเมตตาความรักมันจึงเป็นฐานของความดีทั้งหลา ย, ยางไง ไม่ใช่ว่ามันเหนือกว่าศีลแต่หมายเขาว่ามันเป็นรากฐานเลยพอเรามีความรักความปรารถนาดีกันมันจะให้โดยไม่ต้องฝืนใจทานมันจะมาพอเรามีความรักมีความปรารถนาดีกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แย่งของรักใครทาให้เจ้าของเขาทุกข์ไม่พูดปดใครศีลเรารักตัวเราเองเรารักคนอื่นเราก็ไม่คล้องแว้สุรายาเสพติด เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรานึกถึงเออเรามีเมตตามีความรักปรารถนาดีต่อคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของธรรมะปฏิบัติทั้งปวงเคยเห็นภาพสะเทือนใจไหมลนะ่ะปีใหม่เนี่ยอยู่ๆเด็กผู้หญิงอายุสิบแปดปีไปเออให้เขาถ่ายภาพเลยนะไลฟ์เนี่ยโดดแม่น้ำอะ่ะ สังคมมันเป็นอะไรกันแล้วไอ้คนถ่ายก็ถ่ายอยู่ได้ถ้ามันเมตตารักเเพื่อนมนุษย์มันจะปล่อยให้เขาโดดไหมแล้วคนโดดถ้านึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงมีคนรักเนี่ยจะมายืนชูสมนิ้วอยู่ไหมถ้าเขามีความรักรักพ่อรักแม่รักยายรักอะไรก็ตามเขาจะคิดหน้าคิดหลัง ส่วนคนที่อยู่ใกล้ก็ไม่ปล่อยให้เขาทำเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมมันค้ำจุนโลกสังคมที่แห้งแล้งที่ขาดเมตตามันเป็นสังคมที่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเป็นสังคมที่แห้งแล้งไม่น่าอยู่ฉะนั้นถ้าเราแผ่จเจริญเมตตาจิตจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าท่องสเปสตานะแต่ใจของเรามีเมตตา มีความรักเราจะเป็นมิตรต่อกันมิตรรากศัพท์เดียวกับคําว่าเมตตาคนที่เป็นมิตรคือคนที่มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อเราเอาลองถามว่าคนที่มีเมตตามีความรักเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านบอกข้อที่หนึ่ง คนที่มีเมตตาคือคนที่มีความปรารถนาดีหวังดีคิดทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วหวังดีให้คนอื่นเขามีความสุขนี่คือเมตตาใครหวังดีต่อเราคือเขามีเมตตาต่อเราเนี่ยเขาอยากให้เรามีความสุขความเจริญสองเมตตามีหนึ่งมีความหวังดี เป็นพื้นฐานหนึ่งเมตตามีความหวังดีเป็นพื้นฐานสองเมตตามีการเกื้อกูลทำประโยชน์ให้กันเป็นลักษณะคนไหนบอกรักเราหวังดีต่อเรามีแต่ชกช่วยพนประโยชน์กับเราเอาเปรียบเราอย่าไปเชื่อหวังดี จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหนึ่งเมตตาความรักมีความหวังดีปรารถนาดีเป็นพื้นฐานสองเมตตามีการมีความปรารถนาดีหวังดีเป็นพื้นฐานสองมีการเกื้อกูลมีการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ปันเป็นลักษณะสาม มีการอาภัยกันเป็นอาการที่แสดงออกให้ปรากฏใครบอกว่ารักเราปราถนาดีต่อเราแต่เวลาพูดผิดหูโกรธไปเป็นปีนะไม่อภัยนะนะ่นี่เนี่หรือรักเนะี่ยโกรธตั้งแต่ปีหกหนึ่งยันปีหกศูนย์ไม่พูดกับเราไอ้หกศก็เพี 0, ่งหสลับแลวนะออปีโมูแล้วนี่หรือรัก ไม่ใช่อภัยคือให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยความไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวตนอภัยกัน บอกเป็นคนไทยก็รักกันสิดีกันสิสักพักเดียวสีเหลืองน่ะสีแดงหลังมันรักกันประเสียประสาอะไรอะไม่ลืมและให้อภัยกันเพราะฉะนั้นความรักมันเป็นพื้นฐานของทานและศี ล, ลเรารักใครเราก็ให้ทานเรารักษาศีลและ เมตตาความรักยังเป็นพื้นฐานของพรหมวิหารธรรมข้ออื่นๆทำไมเมตตาถ้าเรียกว่าพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมะทื่ อ, อยู่ของพรหมพรหมคือผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐจะมีแต่ความหวังดีแต่คนอื่นอยู่อย่างสมัรสมานกลมเกลียวกันเรียกว่าอยู่อย่างรม่มถ้าอยู่อย่างทะเลาะกันบอกแยกัน บ้านมันก็ไม่ประเสริฐเพราะมันร้อนที่ทำงานก็ไม่ประเสริฐเพราะมันร้อนอยู่กันอย่างไม่ใช่พรหมพรหมจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและเมตตาเป็นพื้นฐานของพรหมวิหารธรรมที่เหลือคือการุณามุติตาอุเบกขาเป็นยังไงถ้าเรารักเราหวังดีปลาถนายเขามีความสุขเนี่ย เกิดเขาทุกข์ขึ้นมาเราสงสารเพราะฉะนั้นเมตตาความรักจึงเป็นพื้นฐานของกะรุณาความสงสารเราพ่อแม่รักลูกเนี่ยไม่ใช่พอใจดีใจที่เห็นลูกมีความสุขเท่านั้นแต่ถ้าลูกเจ็บป่วยละ่ะล้มลงปากแตกร้องไห้ละ่ะ วันใจทนไม่ได้อยากให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือความสงสารฉะนั้นเราจึงเราจึงมองคนที่สงสารเราว่าเขารักเราถ้าไม่รักเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสารใครเนี่ยอแสดงว่าเรารักความสงสารมันโยงไปถึงเมตตาความรักแต่ความรักที่เป็นเจโตวิมุตติที่เป็นพื้นฐานเนี่ย ชั้นสูงเนี่ยมันรักโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเอาแต่และคนทั่วไปยังมีเงื่อนไขอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีเมตตามีความรักต่อกันเราเกิดความสงสารกันและพอเขาได้ดีมีสุขเรามุทิตากันพรอยินดีกันแต่ถ้าเราไม่เมตตาเขาเห็นเขาได้ดีอิจชา เออฤตสยาตาร้อนนอนไม่หลับมาเป็นชุดฉะนั้นเราก็คนไหนเป็นเพื่อนเรานี่นะแต่เราเท่าเกันเขาเขาก็ดีกับเราพอเราได้ดีกว่าอิจฉาเราเราก็ถามว่าแล้วมันรักเราจริงไหมคนรักกันจะพลอยินดีต่อกันมันเลยเกิดพาสิทธว่าอะไรเขา อิจฉาดีกว่าเขาสงสารเพราะว่าถ้าเขาอิจฉาเราแสดงว่าเราดีกว่าเขาถ้าเขาสงสารเราแสดงว่าเราแย่กว่าเขายอมให้คนอิจฉาดีกว่าถูกลงอันที่หนึ่งกันแล้วกันเออใช่ไหมเพราะเมตตาความรักเป็นฐานของมุทิตาพรอยินดี ความรักเป็นฐานของอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือไม่เย็นดีไม่เ ย, ย็นร้ายวางเฉยเป็นกลางพ่อแม่ลงโทษลูกตีดุทั้งโดยที่ทำด้วยอะไรความหวังดีใช่ไหมลูกเลือถ้าพ่อแม่ไม่ตีไม่ดูไม่ด่ดาลูกก็จะเสียคน เพราะฉะนั้นยอมตียอมดุยอมด่า ท, ทั้งทั้งที่แม่ก็ทุกข์ใจด้วยที่เครียดลูกที่ดูลูกเพราะฉะนั้นอุเบกขาที่ทำเป็นเฉยๆวางเฉยเพื่อลงโทษหรือตาหนิเนี่ยทำด้วยความรักถ้าล้องไม่รักไม่หวังดีสิปล่อยให้มันเสียคนไปสิไม่ยุ่งเลยอะ่ะแล้วแสดงว่ารักไหมไม่รักเพราะฉะนั้นบางทีพูดจริง ไม่เพราะพูดความจริงไม่เพราะคนฟังไม่ชอบแต่พระเจ้าก็เลือกเวลาที่จะพูดที่จะดำริทําด้วยเมตตากรุณาเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานความรักลูกรักลูกศิษย์รักใคร่ก็ต่างเนี่ยแต่เวลาดุก็ต้องอุเบกขาเฉยๆไม่งั้นเนี่ยมันดุไม่ได้ว่าไม่ได้นะใจดีเกินก็ลูกเสียคน เห็นหนังสือพิมพ์เขาลงคลิปเวลาที่เด็กมันวิ่งนชนอ่ะชนหน้าผากแตกเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึงสามขวบแล้วต้องเย็บแผลกันสดๆอะ่ะเขามาออกทีวีอะ่ะเด็กเด็กผู้หญิงตัวเล็กวิ่งชนจนศีรษะแตกแม่ก็กลัวว่าถ้าลูกโตเป็นสาวมันมีแผลเป็นก็พาไปหาหมอหมอบอกต้องเย็บนะแล้วไม่ต้องฉีดยาชา พรฉีดมันจะเจ็บอ่ะเจ็บกว่าแผลอีกอ่ะก็เย็บกันสดๆเนี่แหละแม่ก็ไปอยู่ข้างๆลูกน้อยร้องเพลงกล่อมลูกลูกก็ไม่รู้จะร้องไห้ดีหรือว่าจะอะไรดีะนะรนี่ยตอนน้เขาเช็คเขาก็ถ่ายภาพหน้าเด็กบางทีเบ้หน่อยแต่ไม่ร้องเป็นคนกล้าหาญที่สุดแห่งปีที่แล้วอ่ะคือเด็กสองขวบเนี่ยแล้วคนที่เย็บแผลสดๆคือคุณตาคุณตา ในถามว่าคุณตาไม่รักหลานเหรอทําให้หลานเจ็บเพิ่มรักเมตตาแต่ในระยะในยามที่เย็บแผลต้องอุเบกขาคนบางคนนี่เป็นหมอเนี่ยแต่ผ่าตัดภรรยาตัวเองไม่ได้สามีตัวเองไม่นดะ้มือมันสัน่นสั่นให้เป็นอะไรไปหรือว่าสั่นให้หายก็ไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> มันไม่มันไม่ มันไม่เกิดอุบีกขาไงพูดก็พูดเถอะเวลาในหลวงเราไปชวนเนี่ยเราต้องเอาหมอจากไหนมาผ่าตัดทำบอลูนเนี่ยหมอไทยไม่กล้านะมือมันสั่งน่ะจะไปทําบอลูนหัวใจในหลวงเนี่ยแทงผิดแทงถูกหัวใจทะลุ ท, ทาไงต้องไปเอาหมอจากอเมริกามา เป็นหมอไทยแต่ว่าไปโตที่โน่นเรียนหมอเก่งมากชื่ออะไรไม่รู้แต่นามส ก, กุลธีรพันธ์คนไทยที่โน่นเลยบอกเขาชื่อทวัต ช, ชัยเลยบอกชัยธีรพันธ์พันเหลียนเวลารักษาเนี่ยเรารักมากอุเบขาไม่เกิดอีกรักษาไม่ได้ดุไม่ได้ลูกของเราอ่ะ เพราะฉะนั้นกลายเป็นบางทีเราไม่มีอุเบกขามันก็ทําให้เด็กเสียคนเราจะเปลี่ยนแปลงนิสยัยเด็กเลยไม่ได้เราเด็กเราจะเปลี่ยนคนอะไรคนเราจะต้องหวางอุเบกขาแต่หวังดีมีความรักเป็นพื้นฐานหวังดีเป็นฐานของกรุณามุเทิตาอุเบกขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนชีวิต เริ่มจากความรักรักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์รักสรรพสัตว์ถ้าประสงค์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสรรพสัตว์ผู้ที่มีจิตยิ่งใหญ่ตรงนั้นเขาเรียกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานจึงบำเพ็ญบารมีสิบทัศน์คนที่ยิ่งใหญ่มีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จะมีใจกว้างเห็นแก่ประโยชน์สุขของมหาชน ทั้งๆ ท, ที่เขาอยู่สบายจบเนติบัณฑิตที่อังกฤษไปช่วยคนทุกข์ยากที่แอฟริกาใต้แล้วมาช่วยปลดแอกคนอินเดียจากอังกฤษชาวอินเดียเรียกทุกวันนี้ว่ามหาตรมะมหาตามะคือผู้มีเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มหาตามะคารที อาตามานี่คืออัตตามหาตามะมหาอะไรคือใหญ่คือใจยิ่งใหญ่มีเมตตาความรักของคนอินเดียทั้งหมดก็ยอมลำบากระบนไม่ได้นึกถึงตัวเองเนี่ยดูรูกมหาตามะคานธีเป็นชนชั้นสูงเรียนเนติบัณฑิตจบจากอังกฤษแต่งสูทเนืใหม่ๆใส่หมวกแบบผู้ดีอังกฤษนะคนอินเดีย<ม>เพื่อให้คนอังกฤษที่ปกครองยอมรับคนอินเดียก็จะมีการนิยมเนี่ย แต่พอไปว่าความให้คนยากจนในแอฟริกาใต้เป็นกูลีเป็นอะไรต่างถูกเอาเปรียบใจที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาทําให้มหาธรรมคันธิถอดสูตรออกนุ่มโทตีเข้าถึงจิตใจของคนเป็นมหาธรรมคนบางคนเกิดในวันไปเรียนถึงสวิตเซอร์แลนด์กลับมา เดินทางทั่วประเทศไทยเห็นความทุกข์ยากของประชาชนประกาศเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเปลี่ยนชีวิตเลยนะเพราะคิดถึงประโยชน์สุขคนที่คิดถึงประโยชน์สุขคือคนที่มีความหวังดีคือคนที่มีเมตตา เป็นมหาบุรุษนั่นคือราชาการที่กัรเปลี่ยนชีวิตของพระองค์เลยน่จากนักเรียนนอกพอสวรรค์นคนเราถึงได้รู้ว่าผ้ทรงรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีฝรั่งเศสเยอรมันได้หมดคนนอกเมื่องนอกเลยเนี่ยแต่พอมาอยู่ประเทศไทย ได้เห็นชีวิตคนไทยแทนที่จะดูถูกนะกับรักได้เมตตาเนชีวิตรงเปลี่ยนเลยนะแทนที่จะเสวยสุขอยู่ในหวังแต่ละปีเนี่ยสเสด็จแปลพระรจชฐานไปนูน่นไปนี่ตลอดสำนักราชาเลขาธิการมาทึกว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยสเสด็จในสมัยที่ยังแข็งแรง ออกนอกพระราชวังเนะี่ยปีละสามหมื่นถึงหกหมื่นกิโลเมตรถ้าไม่รักประชาชนจะทำงานหนักอย่างนั้นไหมมอมคอรึกฤติปราโมทตอนเป็นนายกตั้งคำถามรัชการที่หนึ่งโปรดทหารรักทหาร คนที่เป็นทหารเจริญเรือเพราะว่าสมัยนั้นยังมีสงครามเก้าทัพลบกับพม่ า, มาป้องกันขอบคันท่านสีมารลชจักรที่สองโปรดกรวีทรงนิพนธ์พระราชนิพนธ์บทประพันธ์ไพเราะแม้กระทั่งคนที่เป็นกวีเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นสุนทรผู้ก็แจ้งเกิดในสมัยนั้น รัชการที่สามโปรดช่างสร้างวัดหรือคนสร้างวัดใครจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดต้องไปทูลเรื่องการสร้างวัดในสมัยรัชการที่สามเนี่ยวัดที่ทรงสร้างบูรณะแล้วเจ้านายสร้างถวายในหลวงเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งลูกศิษย์รัชการที่สามไอ้ลขอโทษลูกศิษย์ ของสุนทรพูดพูดถึงราชการที่สามชื่อในมีแต่งกรอนถึงราชการที่สามทูนเรื่องอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนเรื่องวัดนี่โปรดโปรดเรื่องวัดทูนเรื่องอื่นก็ไม่ชื่นเหมือนเรื่องวัดเฝ้าแต่ตรัสถามไถ่ให้ไฝ่ายฝัน ถึงวัดนั้นวัดนี้วัดนั้นเป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเรื่องถากสลักกลึงรัชการที่สามรัชการที่หนึ่งโปรดทหารรัชการที่สองโปรดกวีรัชการที่สามโปรดช่างสร้างวัดหรือคนสร้างวัดถามว่ารัชการที่เก้าโปรดอะไรนี่ โปรดการพบปะประชาชนหมอบคือธิ้นตอบอย่างนี้จึงออกไปพบปะประชาชนแล้วพอเห็นประชาชนมีความทุกข์โครงการในพระราชนุลิศก็เกิดขึ้นกว่าสี่พันโครงการนี่คือฐานทรงทศพิรรยธรรมฐานศีลแต่พื้นฐานคือเมตตาในทศพิรรยาธรรมเนี่ย คำว่าเมตตาคืออักโกทะไม่โกรธคำว่าไม่โกรธก็คือท่านหมายถึงเมตตาในสิบข้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาวนาที่เป็นพื้นฐานอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องมีความรักรักสรรพสัตว์เราก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อยากเปลี่ยนชีวิตบางคนเนี่ยเลิกอบายามุขเลิกไม่ได้ทังทีหรือ เพราะอยู่ยังไม่มีคุณค่าไม่รู้ว่าอยู่เพื่อใครรักใครแต่คุณพ่อคนหนึ่งเลิกเล่าได้เพราะลูกสาวติดแอลกอฮอล์ติดสุรางอมเง็มไปร่วมงานประสาน ป, ปริญญาของลูกสาวลูกสาวเรียนจบปริญญาดีใจพ่อดีใจบอกกับลูกสาว่ะลูกเอ้ย อยากได้รา ง, างวัลอะไรบอกมาพ่อจะให้ได้อยากได้รถอยากได้อะไรบอกลูกสาวบอกอยากได้อย่างเออพ่อให้เนีอะไรอ่ะอยากให้พ่อเลิกดื่มเหล้าพ่อบอกเอยขอลดยังง่ายกว่านะเลิกดื่มเหล้าลูกสาวก็บอกว่าพ่อมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อนะ อยากให้พ่ออยู่กับลูกนานๆลูกรักพ่อพ่อขอให้ลูกทําอะไรเนี่ยลูกทําให้หมดไม่ให้เที่ยวลูกก็ไม่เที่ยวไม่ให้เกเรก็ไม่ให้เกเรยอยากให้ได้ปริญญาลูกก็ทําให้จนได้ปริญญาแล้วแล้วนี่พ่อจะทําเพื่อลูกสักข้อหนึ่งไม่ได้หรอลูกพูดดีนะความรักลูกเลยตกปากรับคะแล้วเลิกเล่าได้ ความรักทำให้มีศีลข้อที่ห้าเนี่ยหลายๆอย่างที่เราอธิษฐานอยากทำโน่นทำนี่เพื่อตัวเองเดี๋ยวก็ลืม <c oughs> แต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นทึกทึกคนถึงคนที่อยู่ข้างๆถึงลูกถึงพ่อถึงแม่ทำเพื่อเขาเนี่ยแต่ต้องเป็นเขาที่เรารักเนี่ยถ้าลาเกลี่ยนู้ยิ่งแย่ญ่นะ <c oughs> ไม่รักก็ต้องฝึกให้รัก เมื่อเราทำด้วยเมตตาเนี่ยมันเคลื่อนย้ายภูเขาได้มันเกิดพลังมันเป็นปาฏิหาริย์จะทำเพราะใครเพราะรักใครก็ต่ามเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางทีไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอยู่เพื่อใครอะ่ะท่าน45ปีหลังจากตรัสรู้ เมือคนอื่นแต่เราไม่เรียกเมตตาคุณเราเรียกมหากรุณาธิคุณเพราะสําหรับผู้หมดกิเลสท่านไม่มีตัวเมตตาท่านมีแต่มหากรุณาแต่สําหรับเราเนี่ยยังมีกิเลสเรามีความรักรักเมตตามันเป็นยังไงมันก็เข้าตัวเอง ม, มันยังมีเรารักใครเพราะเขาดีกับเราเขาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนของเราเอาเถอะให้มันมีเถอะ แล้วมันค่อยๆพัฒนารักให้อยางไม่มีเงื่อนไข ย, ยังไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นความรักมันเปลี่ยนชีวิตคนและอยู่เพื่อคนอื่นมีที่ประเทศเข็นยาอาฟริกาเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นลูกเลี้ยงน่ยนะพ่อก็ตาย แม่เลี้ยงเอาเปรียบลูกเลี้ยงคนนี้มากเด็กผู้ชายคนนี้ใช้ทำงานสารพัดแต่ไม่ใช้ลูกตัวเองทำงานเด็กอื่นก็มีปล่อยเลี้ยงสบายเป็นเจ้านายแต่ลูกเลี้ยงที่ติดพ่อมาพ่อกระต่ายโดนโขกโดนสั์เช้ามืดปลุกแต่เช้ามืดหาครถังใส่น้าเนี่ย ไปไกลเลยเพื่อไปตักน้ำในแอฟริกามันมีบ่อ น, น้ำสุนอยู่ต้องไปแย่งเท่าคิวกว่าจะได้น้ำมาก็หาบน้ำกลับมาบ้านระหว่างทางเนี่ยเจอคนแก่คนเท่าที่รู้จักเดินไม่ไหวไปหาน้ำไม่ไหวแกตักแบ่ง ใ, ให้เด็ก <UI. S 1> คนเนี้ยใจดีมีเมตตามีกรุณาตักน้ำให้ ให้คุณย่าคุณยายคุณแก่คุณเท่ากลับมาถึงบ้านแม่เลี้ยงตีนะ่ะทำน้ำหายไปทำไมไม่เต็มถังบกพร่องลงโทษหาว่าขี้เกียจหา่าเด็กก็ไม่ว่าอะไรก็คือเขาอยากช่วยคนอื่นนานเข้าโดนยิ่งช่วยคนอื่นยิ่งโดนตีหนักครับอีก เลยตัดสินใจไม่ช่วยใครไม่ให้ใครอีกแล้วตัวฉันลำบากเพราะโดนตีจึงตัดสินใจไม่ช่วยไม่ไม่แบ่งปันแต่วันหนึ่งหานน้ำหลังจากตัดสินใจไม่ให้ผลมีวันหนึ่งกลับหานน้ำกลับมาไปเจอคนแปลกหน้าแต่งตัวแปลกๆนอนอยู่นอนคนคลางอยู่ริมถาง ไม่มีแรงจะไปไหนขอน้ำดื่มรู้ว่าถ้าให้ก็โดนตีแต่จิตใจอันงดงานที่มีเมตามีกรุณามีความสงสารทำให้เขาแบ่งปันตักน้ำให้ดื่มคนนั้นล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำก็ไม่เต็มทีทกลับไปบ้านโดนตีหนักกว่าทุกวันเลย ลงโทษแม่เลี้ยงลงโทษหนักกว่ทุกว่นตีเสร็จนั่งซึมเลยโดนถูกคนถูกตีได้ยินเสียงเคาะประตูเ้าประตูบาปปก น, นกนไ็ไปเปิดตัวเกย์เองเด็กันนี้ไปเปิดไปเจอคนแปลกหน้าที่เราที่เขาให้น้ำอาเลยที่นอนข้างทาง ม, มาถึงบ้านเอาจดหมายมาส่งเขาเป็นบุรุษปริศนี ในจดหมายนั้นเป็นหนังสือตอบที่เด็กคนนี้ขอทุนการศึกษา<ม>เขาให้ทุนการศึกษาให้เงินเบี้ยเลี้ยงให้ค่าเดินทางเพื่อไปอยู่ในเมืองซึ่งเป็นความฝันของเขาอยากจะไปจากบ้านนี้และเขาก็ได้พอเห็นหนังสือเนี่เกิดเห็นคุณค่าของการให้เพราะถ้าบุรุษไปทะีนั้น ตายหรือหมดแรงหรือกลับเข้าโรงพยาบาลสมัยรู้จดหมายเนี่ยมันไม่ใช่ส่งกันเร็วอย่างนี้เขาก็จะไม่รู้เลยเรื่องทุนนานหรือสัแต่กลายเป็นว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมความมีน้ำใจเนี่ยช่วยเหลือเขามันก็มีผลตอบแทนเป็นคุนงามความดี ให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองรักท่านนบท่านท่านจัปองนอบไห้รักท่านท่านควรครองความรักเรานะัสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนคนไม่ดีก็ไม่รู้จักให้ใครไม่นบนอบใครไม่รักใครไม่ให้ใครแต่โลกนี้มันอยู่ด้วยน้ำใจด้วยความรัก อยากจะให้ชีวิตเรามีคุณค่าเริ่มจากเมตตาทาประโยชน์แก่คนอื่นเล็ ก, ลกๆ็น้อยก็ได้ไม่ต้องยิ่งใหญ่เหมือนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินไปตามชายหาดหยิบปลาดาวโยนลงในทะเลเพราะแดดมันร้อนนะปลาดาวมันขึ้นมาตามขึ้นแล้วมันไม่ลงโยนโยนโย น, โยนไนักท่องเที่ยวไม่เห็นเข้าก็ถามว่า เธอกาลังทําอะไรเด็กหนุ่มคนนั้นบอกทําประโยชน์ให้กับปลาดาวไม่ให้มันตายเพราะถ้ามันอยู่ในแสงแดดมันจะตายเกยตื้นแต่ผมช่วยชีวิตมันนักท่องเที่ยวบอกว่าคุณจะทำจะช่วยได้หมดได้อย่างไรในหาดนี่มีปลาดาวไม่รู้กี่ร้อยตัวเธอจะเอาแรงที่ไหนไปช่วยได้ทั้งหมด เด็กหนุ่มก็บอกว่าแต่อย่างน้อยผมได้ช่วยตัวนี้และแกะก็โยนลงไปในทะเลโยปลาดาวเปลี่ยนแปลงให้ความสุขแก ต, ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่งามแล้วเราอาจจะไม่ให้ผู้ยิงใหญ่ที่จะทำประโยชน์ได้เยอะแยะแต่ช่วยแมวสักตัวหนึง่งช่วยคนสักคนหนึง่งช่วยอะไรที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น นั่นคือเรากำลังยิ่งใหญ่เรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเห็นแก่ตัวมันก็จะลดลงเรานึกถึงคนอื่นเราก็ยิ่งยืนหยัดอยู่ในทางแห่งความดีฉะนั้นถ้าปีก่อนๆเราอธิษฐานเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วมันไม่สาเร็จบางทีเพราะเราคิดแต่ตัวเราเองแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นหวังดีต่อเขามีเมตตาต่อเขาอยากทาเพื่อเขา เราได้ทำความดีเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและประโยชน์ภายสารชีวิตเราเปลี่ยนเมื่อเราทำความดีอย่าว่าแต่เราภูมิใจมีความสุขเลยในหลวงราชกาลที่าบอกอาจารย์สยญาธรรมสักว่าเวลาเราทำความดีไม่ใช่แต่ตัวเราเท่านั้นที่มีความสุขคนข้างเคียงก็พลอยมีความสุขไปด้วยในบ้านในที่ทำงาน และถ้าเราทุกคนทําความดีอย่างนั้นเราก็อยู่อย่างผู้ประเสริฐโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ด้วยเมตตาธรรมที่เราพัฒนาภายในจิตใจก็ขอให้ชีวิตใหม่ปีใหม่ทุกคนเตี่ยมด้วยเมตตาและความสุขในโอกาสนี้ก็ขอตั้งกรายาณาจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตนยไตรและบุญกุศลที่บาเพ็ญ ในพระศาสนาจงมารวมกันเป็นตบัดเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเปี่ยมด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อกันโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทานไยทั้งปวงประสงค์จำหนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปเจะชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกคน เอสารู <c oughs>